ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเสนอตอนที่26ไม้กวาดด้ามหนึ่งอุปถากหลวงปู่มั่นและหัวใจแท้สลายหลวงปู่มั่นมรณภาพ หลงตามหาบุญยสัมปันโนได้ให้อวาตธรรมเอาไว้ว่าดูเลิก ด, ดูยามดูตัวเองนั่นสิตัวเองไม่ดีตรงไหนแก้ไขคตัวเองแล้วดีหมดเมื่อแจ้งมีมาตั้งกับตั้งกันแล้วนี่ยังจะมีไปอีกตั้งกับตั้งกันหาประมาณไม่ได้เมื่อแจ้งไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ทั้งมืดทั้งสว่างใช้ได้ทั้งนั้นแหละถ้าเรามีปัญญาที่จะใช้ แต่ตัวของเราเป็นอย่างไรให้ปรับปรุงตัวให้ดีอันนี้เป็นหลักเกณอันสําคัญธรรมะไม่เคยหลอกลวงผู้ใดเที่ยงตรงท่านจึงเรียกว่าธรรมดังที่ว่าเขาขอความเป็นธรรมคือขอความเที่ยงตรงเรียกว่าธรรมนั่นเองให้รึกถึงพุโทโธก่อนรึกถึงธรรมโมก่อนรึกถึงสังโฆก่อนนี้เป็นหลักใจของเรา ก่อนที่จะแสดงออกในลวดลายใดของใจให้ระลึกถึงหลักเจมไว้ก่อนระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆแล้วจะไม่แสดงความไม่ดีออกอย่างง่ายได้นี่เป็นของสำคัญมากให้หลักใจยึดเอาตรงนี้นะหลวงตามหาบัวยาสัมปันโนเล่าชีวประวัติของท่าน ในขณะอยู่จําพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่นเอาไว้ว่าเพราะแม่ครูอาจารย์มั่นท่านดับนิสัยเราหนหนึ่งเราก็ไม่ลืมเรื่องไม้กวาดด้านหนึ่งที่เราคิดว่าใช้ไม่ได้แล้วจึงทิ้งเข้าไปในป่าในวันต่อมาเราไปเดินจมกรมอยู่ในป่าถึงเวลาปัดกวาดเราออกมาแล้วเอื้อมมือไปหยิบไม้กวาดที่สอดไว้ใต้ถุนกุฏิแล้วไปไม้กวาดด้ามที่เราทิ้งไว้ในป่า มาเน็บอยู่ที่นั่นอ้าวไม้กวาดนี้มาได้ยังไงกันนี่เราจับเอาไม้กวาดออกมาดูอ๋อไม้กวาดนี้เป็นไม้กวาดที่เราทิ้งไปเมื่อวันก่อนใครหนาเอามาเน็บไว้ที่นี่คงเป็นพ่อแม่ครูจารย์มั่นแหละท่านสอนเราเห็นดังนั้นเราก็หมอบเลยตั้งแต่นั้นมาไม้กวาดนี้พอซ่อมได้ยังไงเราจะซ่อมเต็มเหนียวเลยละนี่แสดงว่ามันพอใช้ได้ เอาไปทิ้งทำไมท่านเทศสอนเราตั้งแต่นั้นมาไม่กว่าด้าม น, นั้นก็เป็นอาจารย์เอกทีเดียวไม่กว่านี้ต้องซ่อมให้เรียบร้อยจนใช้ไม่ได้แล้วถึงจะทิ้งถ้าทิ้งครั้งที่สองนี้ท่านน่าจะเอามาตีหน้าผากเราครั้งนี้ยังไม่ตียังนั้นหลักท่านสอนเราอุบายของพระแม่ครูจารย์มัน่นเราก็ปฏิบัติตามนั้นเลย หลวตามมหาบัวญานสัมปันโนได้เล่าถึงการปฏิบัติต่อพ่อแม่ครูจารมั่นที่ท่านเคารพเครื่องส ย, ยิ่งนักนั้นต่อไปอีกว่าในเวลาที่พ่อแม่ครูจารมั่นท่านป่วยหนักเข้ามาเท่าไหร่เราปฏิบัติต่อท่านเหมือนว่าเรานอนอยู่นิดเดียวท่นั้นนะรีบตื่นไปดูทุกสิ่งทุกอย่างก็รู้สึกว่าท่านเมตตาเรามากท่านจวนไปเท่าไหร่หมายถึงท่านอาภาษหนักขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งติดแนบตลอด นี้ไปไหนไม่ได้คอยดูคอยสังเกตคอยเตือนพระเนนให้ปฏิบัติต่อท่านให้เป็นความสงบร่มเย็นเฉพาะท่านไม่ให้มีอะไรมากระทบกระเทือนเราต้องเอาอย่างหนักทีเดียวเราเคยคิดเกี่ยวกับพ่อแม่ครูจานมั่นเวลาท่านป่วยอรัตนนิมนต์ท่านเอาท่านมาอยู่บ้านผู้อําเภอพนานิคมแล้วอยู่ที่นั่นตอนดึกๆไม่มีใครมีแต่เราอยู่กับองค์ท่านพระเนนก็อยู่ข้างนอกผู้หลับก็มีผู้ไปพักก็มี แต่สำหรับเรานั่นอยู่ในมุ้งเป็นประจำสมมุติว่าท่านหลับทั้งคืนเราก็ไม่นอนทั้งคืนเลยคือเราไม่ยอมให้ใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์ท่านขนาดนั้นนะความห่วงของเรานะหวงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหวงขนาดนั้นนะมันหากเป็นอยู่ในหัวจิตหัวใจนิสัยสันดานของเรานี่นะคือห่วงท่านไม่อยากให้ใครไปแตะต้ององค์ท่านเลยคือกลัวเขาจะไปจับพิรุธท่านท่านไม่ไดีอย่างนั้น จะไปตำหนิท่านอย่างนั้นอย่างนี้คือเรามันเทิดทูนสุดหัวใจแล้วยิ่งถ่ายหนกักถ่ายเบาด้วยแล้วเราไม่ยอมให้ใครเข้าไปยุ่งเลยเราจะทําหน้าที่คนเดียวหมดแต่ก่อนมันไม่มีกระดาษไม่มีถุงพลาสติกเราก็เอาเมือเรานี่แหละกอบโกยอุจจาระใส่กระโถนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะยื่นออกไปผู้ที่คอยรับอยู่ข้างนอกเต็มอยู่แล้วนะแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาเพราะเราไม่ให้เข้าเวลาเงียบเงียบ ท่านนอนมีลักษณะเหมือนครวญครางเสียงร้องอีอีอีเราก็ฟังที่นี้มันก็วิตกขึ้นมาแต่ความวิตกนี้ระมัดระวังนะไม่เชื่อปล่อยให้มันวิตกไปให้มันชิดขึ้นมาโดยอิสระคือมีเครื่องระงับกันอยู่นี่คอยมีสิ่งคอยตกคอยตีกันอยู่นะพอมันปรุงขึ้นมาว่าขณะที่ท่านแสดงลักษณะอย่างนี้นั้นท่านจะเผอบ้างหรือไม่นะเท่านั้นแหละนะมันเหมือนว่ามีอันหนึ่งมาตกตีกันเลย ถ้าหยู่ในมือก็เรียกว่าหลุดมือไปเลยนะตกทันทีเลยไม่คิดต่อไปอีกแต่ก็ไม่ลืมนะความคิดที่ยยบออกมาท่านไม่แสดงมากนะพอนินดๆหน่อยๆเช่นนั้นตามธรรมดาของขันมันก็แสดงเต็มตัวของมันละธรรมดาของคนทั่วๆไปแต่นั่นองค์ท่านพอระ ง, งับได้องค์ท่านก็ระ ง, งับขององค์ท่านไป หลวงตามหาบูวยาสัมปันโนได้เล่าชี้ว่าประวัติขององค์ท่านในขณะอยู่จำพรรษากับพ่อแม่ครูจานมัน่นในขณะที่องค์ท่านป่วยเป็นวรรณโรคได้เล่าไว้อย่างนี้ว่าวันโรคนี้สมัยนั้นโรคอันนี้แย้ไม่ตกใครเป็นแล้วต้องตายเท่านั้นพ่อแม่ครูจานมัน่นท่านป่วยเป็นวรรณโรคแต่เดชะบุญอันหนึ่งที่มันก็คิดคาดไม่ถูกเหมือนกันเพราะวรณโรคนี้ใครเป็นเข้าไปแล้วมันก็ต้องติดวันโรค เราอยู่กับองค์ท่านคลอเคลียกันอยู่เหมือนพ่อกับลูกพอตกตอนเย็นเขาเอาสำลีนั้นมาวางไว้ใส่กระมังท่านจะไอไอแล้วขากเสลเบศไม่ออกเราก็ต้องช่วยเอาสำลีนี้ห่อมือกว้านช่วยท่านกว้านอยู่ตลอดหนาวเท่าไหร่ท่านก็ยิ่งไอคําว่าวันนโรค ก, ก็รู้อยู่แต่เราก็ไม่เคยไปสนใจกับวรนนโรคมีแต่สนใจกับองค์ท่านอย่างเดียวใครก็บอกว่าโอ้ยเวลาคลุเคลียกับท่านมากๆจะทําให้เป็นวรนนโรค จะเป็นอะไรวะเราไม่สนใจนะจนกระทั่งทุกวันนี้เราก็อยู่มาปกติดีไม่เห็นมีอะไรหลวงตามหาบุวยานสัมปันโนเล่าชีวประวัติของท่านในขณะหลวงปู่มั่นมรณภาพเอาไว้อย่างน่าฟังและน่าพิจารณามากว่าในคืนนั้น องค์พระแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านมรณภาพเวลานั้นเกิดความโกลาหลโอรมานแทบไม่มีใครช่วยใครได้อย่างลึกลับในสมาคมมหาวิปโะยคะพรัดพ ร, รากในยามดึกสงัดต่างองค์ต่างงุ่ม ง, ง่ามลูกคำไปตามประษาเซ่อซาลืมสติสตังไม่ได้กำหนดทิศทางเมื่อแจ้งอะไรเลยเพราะอำนาจความเสียใจไร้ชิ้นดีที่เกิดจากความพลัชพรากแห่งดวงพระที่ที่เคยให้ความสว่างสวย มาประจำชีวิตกิจใจได้ดับวูบสิ้นจุดลงประสจทธิความอบอุ่นช่วงเย็ยนเหมือนแต่ก่อนมาบางท่านเป็นลมเราจะสลบล้มลงสิ้นใจไปพร้อมกับองค์ท่านในขณะสิ้นลมเหมือนอะไรอะไรก็สิ้นสุดไปตามองค์ท่านเสียสิ้นเรากับทุกสิ่งได้ขาดสะ บ, บั้นหันแหลกเป็นจุนไม่จุนไปเสียสิ้นราวปับโลกธาตุใบนี้ไม่มีอะไรเป็นสาระพอเป็นที่เกาะของจิตผู้กาลังกระหายี่พึ่งได้อาศัย ออกเกาะพอได้หายใจแม้เพียงวินาทีหนึ่งเลยปรากฏแต่ท่านองค์เดียวเป็นชีวิตจิตใจที่ฝากอัดฝากธรรมได้ฝากเป็นฝากตายทุกขณะลมหายใจเอาเลยส่วนพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์สาวกใจก็ไม่ปรากฏว่าประมาทหากแต่ท่านอยู่เลือกตามความรู้สึกในขณะนั้นไม่สามารถอ่านเอื้อมหรือฟื้นที่มาเป็นที่พึ่งและเป็นสถิพยานได้อย่างใจหวังเหมือนองค์พ่อม่ครูจานมั่น ซึ่งท่านอยู่ตื้นๆทั้งเห็นๆและซึมซาบถึงจิตใจอยู่ทุกขณะที่ท่านอบรมชี้แจงข้ออัดข้อธรรมใ้เวลาสงสัยเรียนถามท่านไม่ว่าจะเป็นปัญหาชนิดใดที่ตนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยลำพังพอท่านเมตตาอนุเคราะห์ชี้แจงให้ได้เท่า น, นั้นเป็นตกไปในทันทีทันใดไม่ได้เผาลนหัวใจอยู่ต่อไปอีกนานเลยนี้เป็นจุดที่สลักลึกลงในหัวใจทําให้เกิดความกระเทือนใจมากเวลาท่านพระพรากจากไป นั่งเริพึงรำพันแบบคนตายทั้งที่ยังหายใจอยู่ในชีวิตพระเพิ่งมีครั้งนี้ในชีวิตตาช้ำเลืองไปเห็นองค์ท่านที่นอนประสิจากลมหายใจและความรู้สึกใดๆด้วยความสงบทีไรน้ำตาร่วงพลูน้าตาร่วงพลูอย่างไม่เป็นท่าทุกทีทางในลมสอึกสอื้นในหัวอกหนุนให้เกิดความตีตันขึ้นมาปิดคอหอยแทบจะไปเสียในขณะนั้นมีสติตรึขึ้นมาชั่วขณะว่า เราจะไม่ขาดใจตายไปกับองค์ท่านเดี่ยวนี้เชียวหรือพยายามพร่ำสอนตนเองว่าท่านตายไปด้วยความหมดห่วงหมดอาลายัยอันเป็นเรื่องของกิเลสโดยสิ้นเชิงแต่เราตายไปด้วยความห่วงหาอาลายัยจะเป็นค่าสึกต่อตัวเองความอาลัยเสียดายและความตายของเราไม่เกิดประโยชน์อะไรแกเราและแกองค์ท่านเวลาท่านมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้สั่งสอนให้เราคิดถึงท่านและตายกับท่านแบบนี้แบบนี้เป็นแบบที่แฝงอยู่กับโลก ที่เขาใช้กันตลอดมาพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตฉะนั้นความคิดถึงแบบนี้จึงยังไม่เข้ากับธรรมเหล่านี้ได้สนิทสิ่งที่จะเข้ากันได้สนิทคือการปฏิบัติตนตามคําสอนที่ท่านสอนไว้แล้วอย่างไรด้วยความถูกต้องแม่นยำนั่นเป็นความคิดถึงท่านโดยถูกต้องแม่จะตายเพราะการทุกข์ทรมานตน ตามหลักธรรมก็ชื่อว่าตายอย่างถูกต้องควรคิดและปฏิบัติตามแบบนี้จะสมกับว่าเรามาศึกษากับท่านเพื่อเหตุเพื่อผลจึงพอได้สติสตางคิดนอกเอารรมมายักยัง้งสลุงใจที่กำลังถูกมรสุมพัดผันทั้งดวงและพอมีชีวิตรอดมาได้ไม่จมลงแบบไม่เป็นท่าเสียแต่ครั้งกระนั้น